สวัสดีครับสำหรับผมแล้วการเป็นนักเรียนแพทย์ในช่วงชั้นปี1ถึงปี3นั้นจัดว่าค่อนข้างยากเนื่องจากการเรียนเน้นภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่โดยเนื้อหาจะมีทั้งภาวะปกติและความผิดปกติของร่างกายมนุษย์รวมถึงมีหลักสูตรการตรวจร่างกายพื้นฐานด้วยแต่อย่างไรก็จะยังไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยซึ่งกว่าจะได้เรียนรู้กับผู้ป่วยตัวจริงเสียงจริงนั้นผู้ผมจะต้องรอจนขึ้นชั้นปี4ถึงปีที่6 ซึ่งจะเรียกว่าชั้นคลินิกส่วนชั้นปีที่1ถึงปีที่3เรียกว่าชั้นปรีคลินิกเมื่อขึ้นไปยังชั้นคลินิกแล้วก็ต้องเรียนกับผู้ป่วยโดยพวกเราจะเปรียบผู้ป่วยดังครูคนหนึ่งและการมาอยู่ในชั้นคลินิกนี้ทําให้ได้พบสัญชธรรมของการเกิดแก่เจ็บและตายได้เป็นอย่างดีรวมถึงทําให้ได้ใกล้ชิดกับโรงพรยาบาลมากขึ้นเช่นมีการขึ้นเวร ล, ลงเวรและด้วยการใกล้ชิดกับโรงพรยาบาลนี้เอง ที่ทำให้พวกเราได้สัมผัสความลึกลับและประสบการณ์แปลกๆมากยิ่งขึ้นดังที่ผมจะได้เล่าต่อไปนี้และเมื่อพูดถึงเรื่องลี้ลับของโรงพยาบาลหากละเลยไม่กล่าวถึงเรื่องลิฟต์ในโรงพยาบาลแล้วคงจะขาดสีสันไปสักอย่างและในโรงพยาบาลที่ผมได้ล่าเรียนในชั้นคลีนิกนี้สมัยก่อนมีลิฟต์ที่ก่อให้เกิดเรื่องเล่าเช่นกันดังเช่นที่พี่พลนรุ่นพี่คณะเดียวกันได้ประสบเหตุด้วยตัวเองพี่พลุเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 ขนาดนั้นพิพผลได้ฝึกงานอยู่ในแผนกหนึ่งซึ่งแผนกนั้นอยู่ในตึกที่มีความสูงถึง15ชั้นการจะขึ้นตึกสูงๆต้องพึ่งพาลิฟต์มากกว่าบันไดเพราะนอกจากจะประหยัดแรงแล้วยังประหยัดเวลาอีกด้วยที่นี้ในสมัยก่อนนั้นมีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่าปกติแล้วในเวลากลางคืนจะไม่ค่อยมีคนขึ้นเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการค้างแล้วยังมีเรื่องประหลาดๆเช่นมีคนแปลกหน้าเข้ามาในลิฟต์แล้วอยู่ๆก็หายตัวไป ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ในเวลากลางคืนไม่ค่อยมีใครใช้ลิฟต์ตัวนี้สักเท่าไหร่คืนนั้นพี่พลต้องขึ้นเวรในเวลาประมาณสองทุมเมื่อพี่พลเดินไปถึงลิฟต์เพื่อต้องการขึ้นไปยังชั้นที่ตัวเองต้องการขออภัยลิฟต์ขัดข้องคือป้ายกระดาษที่ติดอยู่หน้าลิฟต์สตัวหมายถึงเหลือเพียงแค่ลิฟต์เก่าเจ้าปัญหาที่ยังสามารถใช้การได้อะไรวะลิฟต์เสียทีละ2ตัวนักศึกษาแ พ, พทย์หนุ่มบนพลางเดินเข้าลิฟต์ตัวเก่า แต่ยังสามารถใช้งานได้โดยที่จริงแล้วหากตอนนั้นพี่พลยอมเดินขึ้นบันไดอาจจะรอดพ้นเกาะล้ายที่กำลังจะประสบนี้ว่าที่แพทย์หนุ่มก้าวเข้าในลิฟต์มือเอื้อไมไปกดปุ่มตัวเลขที่เป็นจุดหมายปลายทางแต่ก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดเข้าหากันพี่พลต้องรีบกดปุ่มเปิดประตูเนื่องจากมีหญิงชรากำลังเดินตรงมาทางลิฟต์ไปไหมยายพี่พลชวนดีซะอีก จะได้มีเพื่อนร่วมทางขอบใจหลานย้ายไม่ไปหรอกย้ายแก่พูดพร้อมมองหน้านักศึกษาแพทย์ผู้มีใจอารีคุณยายจิกยิ้มกว้างจนเห็นหมากสีแดงเข้มเกลืเต็มปากชายหนุ่มพยักหน้าพร้อมกดลิฟต์ให้ปิดจากนั้นลิฟต์จึงขยับช้าๆเคลื่อนขึ้นสู่ด้านบนเสียงลิฟต์หยุดตัวเลขระบุชั้น2พี่ลรู้สึกดีใจที่จะมีเพื่อนร่วมทางประตูลิฟต์เปิดออกช้าๆ ที่หน้าลิฟต์ยายแก่คนเดียวกับที่เจอชั้นล่างยืนยิ้มอยู่ในปากเคลอะไปด้วยหมากสีแดงอ้าวยายไปด้วยกันไหมครับนักศึกษาแพทย์หนุ่มเอ่ยชวนอีกครั้งคราวนี้ยายไม่ตอบแต่สายหน้าช้าๆปากยังยิ้มเห็นฟันอยู่เช่นเดิมประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงอีกครั้งสงสัยยายคงขึ้นแค่ชั้นสองไม่ได้ใช้ลิฟต์ประหยัดไฟดีจริงๆแต่ลิฟต์นี่มันช้ามากขนาดคุณยายยังเดินขึ้นมาทันเลยฮะแพทย์หนุ่มคิดติดตลก ไฟหยุดที่ตัวเลขชั้น3พร้อมกับประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดที่หน้าประตูลิฟต์ยายแก่คนเดิมยืนฉีกยิ้มกว้างในปากเปิดเปื่อนไปด้วยน้ำหมากสีแดงสดไวเท่าความคิดที่ผลลีบกดปุ่มปิดประตูทันทีขนอ่อนบริเวณต้นคอลุกชูชันเฮ้ยถ้าเกิดลิฟต์มันเปิดทุกชั้นจะทํำยังไงวะชายหนุ่มถามตัวเองด้วยพลอยอีกไกลกว่าจะถึงชั้นที่เป็นจุดหมายประตูลิฟต์เปิดขึ้นอีกครั้งที่ชั้น4ยายคนเดิม ยืนอยู่เบื้องหน้าคราวนี้ไม่ยิ้มแต่ใบหน้าบึ้งตึงมุมปากมีน้ำหมากย้อยไหลเป็นทางชายหนุ่มรีบกดประตูปิดอีกครั้งแต่ทว่าหญิงชร า, าลึกลับเอามือจับประตูลิฟต์ไม่ให้ปิดจากนั้นยายจึงก้าวเท้าเข้ามาข้างในพิพลยืนขาสัน่นขนทั่วร่างลุกสู้นั่นเพราะ บ, บัดนี้หญิงชร า, ากำลังยืนอยู่ข้างๆห่างตัวเขาเพียงไม่กี่คืบลิปปิดจนสนิท จากนั้นจึงเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนความรู้สึกของพลในเวลานั้นเหมือนลิฟต์จะขยับด้วยอัตราที่เชื่องช้ายิ่งกว่าเต่าคลานพี่พลหลับตาปีใจเต้นมากไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาอยู่ในลิฟต์แคบๆกับคุณยายที่ทางประหลาดทั้งน่ากลัวฮิฮิ ฮ, ฮิเสียงหัวลาะเย็นเยียบเจ้าของเสียงจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากหญิงชราเคี้ยวน้ำหมาก นั่นมอตสระภควัตโต้นั่นมอตสระภควัโต้ชายหนุ่มเลื่อมสวดมนต์แต่เขากลับท่องวนไปวนมาเสียงสั่นปากคอสัน่นหลับตาปีไม่นานลิฟต์ก็จอดอีกแล้วหนุ่มเคาะลายนึกสบดลืมตามองเบื้องหน้าลาวกับสวรรค์โปรดตัวเลขระบุชั้นที่เป็นจุดหมายด้านนอกลิฟต์ก็เป็นชั้นที่เขาตั้งใจจะมาขึ้นเวรพี่พลวิ่งพรวดออกจากนอกลิฟต์ทันที แต่ก็ยังไม่ไาวหันกลับไปมองด้านหลังในลิฟต์ไม่มียายแก่หรือใครสักคนแต่ว่าพิพลไม่คิดวิเคราะห์สิ่งใดต่อชายหนุ่มวิ่งรวดเดียวถึงห้องพักแพทย์เวนเอาพ้นเป็นยังไงทำไมเหงื่อแตกหน้าซีดอย่างนั้นละ่ะหิวข้าวเหรอพี่สตาฟหมอที่อยู่เวนทักด้วยคำถามพี่ครับพี่ขึ้นมาจากชั้นล่างยังไงครับพ้นถามเสียงสัน่นถามแปลกๆก็เดินขึ้นมาสิวะ รุ่นพี่ตอบแล้วจึงหันไปสนใจหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะเฮ้ย hey, หรือว่าเองขึ้นลิฟต์มารุ่นพี่เกิดฉุกใจขึ้นมาได้ข้องเงยหน้าขึ้นมาถามพลอีกครั้งใช่ครับพี่ผมขึ้นลิฟต์มาชายหนุ่มตอบใจวิววิวคล้ายจะเป็นลมแล้วขึ้นตัวไหนตัวริมด้านนอกครับตัวเก่าๆนะ่ะก็ตัวอื่นมันเสียตอนนี้นอกจากเสียงพี่พลที่สั่นไม่หายแล้วมือขาก็ยังสั่นตามกันไปหมดเฮ้ย hey, เองไม่รู้หรือวะลิฟต์ตัวนั้นน่ะ คราวเสียงที่รุ่นพี่เริ่มสั่นบ้างทําไมครับก็มือเดินก่อนมียายคนนึงไม่สบายมากหมอเลยให้ย้ายจากชั้นบนมาอยู่ห้องไอซียทีนี้ยยลิฟตัวนั้นเน่ยเกิดค้างเข้าให้ยายแกมาสุดในลิฟต์พยาบาลจะช่วยก็ลําบากสุดท้ายก็ต้องปั๊มหัวใจกันในลิฟต์รุ่นพี่เล่าพลางเหลียวซ้ายเหลียวขวา ด, ด้วยความหวาดระแวงสุดท้ายแกก็ตายในลิฟต์ตอนยายแกตายน่ะเลือดทะลักออกเต็มปากใครไม่รู้ไปแซลล์อีกว่าตายแล้วยังกินหมากหลังจากนั้น ใครขึ้นลิฟตอนกลางคืนก็จะเจอยายแก่อยู่บ่อยๆจนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขึ้นกันแล้วนี่คงเจอมาละสิรุ่นพี่ทิ้งท้ายด้วยการเล่าด้วยคําถามที่น่าจะเดาคําตอบได้พี่พลชุดลงนั่งบนเก้าอี้เมื่อเดือนก่อนขเขาออกไปฝึกงานต่างจังหวัดจึงพลาดข่าวสําคัญนี้ไปคืนนั้น2หมอรุ่นพี่รุ่นน้องจึงเกิดอาการตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันตลอดสร้างความประหลาดใจให้แก่บรรดาเพื่อร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยตอนที่สองนุ่มจะกลับออกันนั้นแน่นอนครับพวกเขาเลือกที่จะลงบนันได